ซึ่งหรักปนน้ท่านหลายได้พายกันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไปก็ฟังเรื่องของท่านมหาสาวกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของอัคของมหาสาวก ค, คือพระโมคคันลาและเป็นสารีบุตรเปน็นอว่าเมื่อท่านสรารธาาบุตรไอ้กลากรตหายของท่าน อย่างนั้นสหายของท่านที่นี่กล่าวว่าพระพุทธะอนุมนัตสีเสด็จมายัางอาสมของท่านตังต้งแต่เมื่อไรท่านสทานัทธาดาบิกก็บอกว่าสเสด็จมาเป็นวันที่เจ็ดถึงวันนี้แล้วก็พื่อเสด็จกลับแน้่พวกข้าพเจ้าจะทำสการะพระองค์ ตามกําลังของตนถ้าหากว่านี่หมายความมาเพื่อนนะเพื่อนบปลว่าเมื่อท่านมาใหม่บรรดาพวกข้ายเจ้าจะทําสการะคือการบูชาพระพุทธเจ้าสาาามบนามวานโอธมรัสีตามกําลังเป็นว่าสมเด็จพระบรมศ า, า ส, สดาทรงแ ส, สดงทําโปรดพวกข้ายเจ้าในวันนั้น ทุกๆคนเมื่อเวลาจบเทศนานี่ท่านสัตตะดาบทบอกว่าบอกไว้นะบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านมาเราทําการสการะแล้วพระพุทธองค์สมเด็จพระบัณแก้วสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดในเวลาที่จบพระธรรมเทศนาเว้นข้าพเจ้าคนเดียวนอกจากนั้นบรรลุอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็บรรทัดแล้ว กบัยเจ้าเห็นนิสพระพระนิสพระเทระอากาสาวกเบื้องขวาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีความปรารถนาตำแหน่งอากาสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณโคดมที่ซึ่งจะโซบายข้างในโลกในนาโคเตการแม้เธอก็จงตั้งความปรารถนาในตำแหน่งอากาสาวกที่สอง ในศน า, าสนาในศาสนาเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันท่านสิริวัทน์จึงกล่าวว่าข้าชเจ้าไม่มีความคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าท่านหลายสิเลยจะทำยังไงละครับ <c oughs> ท่านสรทจรึงกล่าวว่าเรื่องที่จะทูลกับพระพุทธเจ้าเป็นภาระของขบราชเจ้าเอง ขอท่านจงจักสการะที่ยิ่งใหญ่ไว้เถอดท่าสิสิวัทธะฟังคำของดาบดุจภปเบสหายแล้วได้ทำสถานที่มีประมาณแปดการีตแม้แปดการีตจะบอกการีตหนึ่งมีมาตราวัชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการีตหนึ่งการีตเี่วกับ หนึ125ง่งร้อยยี่สิบห้าศอกหรือว่าหนึ่งเส้นกับสิบวาหนึ่งเส้นสิบวาก็อินหนึ่งศอกนี่หนึ่งกิโลครับหนึ่งกาโลกรีตเท่ากับหนึ่งเส้นสิบวากับหนังศอกแปกาโลรีตก็นี่ต้องคูนกันได้แปดตที่ แปดเส้นแปดสิบแปดวาแล้วก็แปดศอกอารวมเป็นวาก็แล้วกันนะโรเองอท่งกล่าวว่าได้ทำสถานที่ประมาณป่ายการีธโดยมาตราหลวงที่ประตูรเริงของตนให้มีพื้นเสมอกันลนวเกลี่ยทรายโปรยดอกไม้มีข้อตอกเป็นที่ห้า อะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนที่ห้านี่เป็นเขาตอกใหท้ทา ม, มนดบมงไปด้วยดอกอุบลสีเขียวดอก บ, บวัวสีเขียวนะครับตกแต่งพุทธาาจจัดอัศนะบรรดาจะพิสุทั้งหลายผู้เป็นบริวานจัดสการะโดยเครื่องต้อนรับเป็นไม่เป็นอันมาก ได้ให้สัญญาแก่ท่านเรนาดาบทเพื่อประโยชน์ในการนีมนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระ น, นามว่าอนุมัติสีสำหรับเสนดาบทควได้พาบิสุส่์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกไปที่อยู่ของท่านสิริวัฒกุุมพีแล้วฝ่สิริวัฒกุดุมพีทําการต้อนรับ รับบาทจากพระหัสกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิญสมเด็จให้เข้าไปสู่มันดัถาวายน้มทักษินโนทกน้าฉันนั่นแหละแกบ่บรรดาวิสูต์สงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งนั่งบัศนาที่ตกแต่งไว้อังคาดหมายถึงบะเลียงดูไดถ้ถวายได้โภชนะอันประนีต ในเวลาที่เสร็จภารกิจนี่มนบิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขรองผ้ามีค่ามากแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความริเริ่มนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ตำแหน่งมีปริมาณน้อยขอพระองค์ทรงทำความอนุเคราะห์ โดยทํานองนี้ชิ้นเวลาเจ็ดวันเถ้าเล่นกันคนละเจ็ดใจเขารับองสมเร็จพระพกวันทรงรับแล้วเขาเคาว่าเขาหมายถึงท่านสิริวัฒนะเขายัางมาหาธานะเป็นไปโดยทํานองนั้นนั่นแหละตลอดเจ็ดวันเนี่ยถาวายท า, ยานกันอยู่เจ็ดวัน ถาวายบังคมองค์สมเด็จพระพุกวันแล้วจึงยืนประคองอัญชิีกระาทูนว่าพระพุทธเจ้าข่าสารทดดาบทเสหายของข้าพระองค์ราธนาว่าเราพึงเป็นอากาสาวกเบื้องขวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใด ข้าพระองค์เปิงพึงเป็ น, ป น, ปนออกสาววกที่สองคือเบื้องซ้ายขององค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นเหมือนกันสมเด็จพระพุทธวันทรงพิจารณาถึงอนาคตการทรงเห็นภาวะคือความสําเร็จแห่งความปรารถนาของเขายังได้ทรงพยายกรณ์ว่าแต่นี้ล่วงไปหนึ่งองค์ขไขยิ่งได้แสงกลับแม้ท่าน่ะ ก็จักได้เป็นอกศาศาักสาวกทธิสองพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระสมณะโคดมท่านสีดีวัฏทะฟังคํำพยากรณ์พระองค์สมเด็จพระชินนวรบรมศสสาสันดาแล้วได้เป็นผู้มีความร่าเริงบันเทิงใจแม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสาสันดาทรงทำพัตตัน พัตานโมทนาคำว่าพัตานโมทนาก็หมายกว่าอนุโมทนาในการอสิ์ของการถวายทานแล้วพร้อมด้วยบริวารสนิทไปยังวิหารบรรดาผิสุนัหลายนี้มีความปรารถนาที่เป็นอะไรเนาะที่เป็นบุขโคเราปรารถนาแล้วในครั้งนั้นอ๋อ เป็นอันว่าเมื่อกล่าวเรื่องนี้จบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงกล่าวกบับบรรดาภิสุทธิ์ทั้งหลายว่าก็บุตรของเราคือโมกขลาและภาษารีบตรเขาตั้งความบัตรถนาในความเปบญจกาสาวกตัง้งแต่สมัยนั้นแคนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเราจึงได้ตั้งท่านตั้งสองเปบญจกาสาวกจะถือว่าการแต่งตั้งนี้เป็นการเลือกหน้าเสียงกันก็หามไม่ ก็เป็นการแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาที่ตนและตนบำเพินแล้วตั้งใจไว้แล้วแ <c oughs> ปลนว่าเมื่อองค์สมเด็จพระบรทิแกวัตรพระรพุทธพจน์อย่างนี้สองพระกศสาวกถวายบังคมองค์สมเด็จพระชินสีห์พูนเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งเมื่อข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ได้ไปดูมรรสศพบนยอดเขาดังนี้แล้วเป็นต้นเล่าเรื่องเก่าจนถึงความแทงตลอดเป็นประสนดาบัญชาสํานักขมัสชิเทระและกร่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าเราพระเด้าทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สัญชัยเื่าสงจะนำท่านมาสู่บาทสมุทรพระองค์สมเด็จพระผู้ทมีององพมระภาคแจ้งว่ารทัทิของท่านไม่มีสาระกล่าวอนิสงงในการมาที่นี่แต่ว่าท่านสัญชัยได้ตอบว่าบัดนี้ชีว่าการอยู่เป็นลูกศิษย์ของบุคคลขเราไม่มี เราย่อมไม่เป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในต่หมไมความไม่หวั่นไหวเวลานี้เราไปอาจารย์แล้วเราจะเป็นลูกศิษย์ไม่ได้ว่ากันยังไงก็แล้วกันเราไม่สามารถจะอยู่ในสานักของใครได้เมื่อข้าพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบเป็นต้น อยากไปบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเป็นอย่างไรท่านจารย์สันชัยก็ได้ตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมีมากหรือว่าคนโง่มีมากเมื่อข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าคนโง่มีมากท่านก็ได้กล่าวว่าท่าอย่างนั้นคนฉลาดฉลาดจากจงไปสนักองพรสมณโคดม พวกคนโง่จงมาสํานักของเราเธอทั้งสองจงไปเถอะไม่ปรารถนาจะมาท่านกล่าวท่ากล่าวว่าในเมื่อท่านสันชัยบริพาชกไม่ปรารถนาจะมาที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองยิ่งได้พาบริวารมาเฝ้าองค์สมเด็จพระมหาหมุนีเมื่อท่านทั้งสองกราบทูลแล้วองค์สมเด็จพระปัณฑิแก้วก็ได้ทรงเมื่อได้ทรงสระดับคาแล้ว ยังได้ตัดว่าพิขวิถีดูก่อนปิสุทั้งหลายสัญชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะความที่ตนเป็นคนเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดส่วนเธอเดินสอนรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระ และสิ่งที่ไม่เป็นสาระไอสาระนี่แปลว่าประโยชน์เนี่ยแก่นสารสาระนี่แปลว่าแก่นสารนีประโยชน์สิ่งที่อันไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาสิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นเพราะความที่ตนเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระประที่ยวก็ยินดีทรงพระพุทธภาสิทว่าชนเราใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและสิ่งในสิ่งที่และเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนรานั้นมีความดำริผิดที่ว่ า, ามีความดำริผิดเป็นโคจรหมายความว่าจิตน่เที่ยวไปในสิ่งที่มีความเห็นผิดโคจรนี่แปลว่าเที่ยวไปนะ ย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระคือประโยชน์ชนเราใด้รู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระแล้วสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่เป็นโดยความไม่เป็นสาระชนเรานั้นมีความดำริชอบเป็นโคโจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระเข้าใจไหมเนี่ย ท่ากล่าวว่าไมา่จบพระธรรมเทศนาชนแปลมากก็มันลุมักผลทั้งหลายมีประโสนาปฏิผลเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่มรรดาประชุมชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วที่ผมมาสรุปให้จบตอนนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าเหลือน้อยและเป็นสาภาระที่มีประโยชน์นี่พระพุทธพาสิทธิองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัส จงท่องจำให้ขึ้นใจนะเมื่อชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์อย่างกับบรรดาคนทั้งหลายที่ฟังทำอยู่ตลอดสี่เวลาต่อนหนึ่งวันก็ยังเอาใจไปใส่กับสิ่งที่เป็นของเลวไม่หาประโยชน์ใส่ตนนี่เป็นคติอันนี้ และเห็นเรืสิ่งนี้เป็นอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระเห็นของดีว่าเป็นของเลวไม่แย่แสแตบวัฒน์วิ น, นัยก็องค์ทสมเด็จไปจอมไตรบรมศาสดรายังกล่าวว่ามีความดำริผิดคิดผิดตลอดเวลาหาประโยชน์ไม่ได้ย่อมไม่ประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์ชนเหล่าใดรู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความที่เป็นสาระ และสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยความที่ไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความนิยมชอบเป็นโครจรย่อมประสบสิ่งที่เป็นสาระคือประโยชน์เป็นอันว่าเราก็มานั่งคุยกันเรื่องนี้จบแล้วผมเห็นว่ามีประโยชน์เวลานี้เป็นปรนรยากะเล็กๆในน้อยในการแนะนากันหลักใหญ่เราให้กัไม่แล้วทั้งหมด ผมก็ลาทานได้ว่าท่านไปเที่ยวตลอดประเทศไทยประเทศเจ๊กประเทศแขกไหนก็ตามที่จะมีคณอาจารย์องค์ใดให้ความรู้รละเอียดอทุกแง่ทุกมุมแบบนี้ผมกลา้าพะว่าไม่มีหรอกท่านไม่มีใครก็สอนกันแบบนี้ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่สอนกันแบบนี้แต่ทูกศิษย์ทั้งๆ ท, ท, ท่านหลายเอาดีได้ แต่ ว, ว่าบรรดาท่านอย่างหลายที่รับฟังแบบนี้เอาดีไม่ได้ก็น่าสลดใจนี่เราก็มาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งคุณเชิฐศรีสุขสวัส์ณอายุทยาทัญญาท่านผลอากาศโทห ม, มอมราชวงศ์เสริมสุขสวัสด์เจ้ากรมเสดสานทหารท่านเป็นผู้หญิง มีลูกแล้วก็มีหลานมีภาระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติห่วงใ ย, ยอยู่มากแต่ได้ว่าน้าใจของท่านเมื่อปฏิบัติทำแล้วมีอารมณ์ใสเป็นแก้วไม่มีความห่วงใ ย, ยในร่างกายของตนเวลาที่ยังไม่ป่วยก็จิตตั้งไว้เฉพาะปณิพาน์เวลาที่ป่วยอยู่ จิตใจทรงสารแก่นสารคิอเมื่อร่างกายเป็นของไม่ดีรำพึงเรำพันฝันอยู่เสมอว่าเราต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ในเวลานี้เธอก็ตายไปแล้วบุคคลประเภทนี้องค์สมเด็จพระบพทีแก้วกล่าวว่าตายแล้วเหมือนกับคนที่ไม่ตายหมายความว่าไอ้ตายในขันห้ามันตาย ด้วยจิตใจของเธอไม่ตายแน่ถ้าท่านจะถามว่าเฉลีสีสวัสร์นั่นที่เราเรียกกันมาอ่อยไปไหนเพราะไม่บอกท่านหรอก <c oughs> ไม่บอกท่านเพราะว่าท่านศึกษากันมามากแล้วติดตามกันเอากันแล้วกันเราจะต้องไปนั่งบอกอะไรกันในเมื่อพิชาความรู้พวกท่านเรียนมากกว่าผม เพราะว่าเมื่อเวลาผมเรียนมาผมก็ไม่ได้เรียนมากอย่างนี้ไม่ได้ฟังมากแบบนี้ทุบเสียงทุกอย่างแล้วก็ค้นคว้ากันมาเองทีนี้แล้วก็ไปเห็นดูคาว่าเป็นสาระพระองค์สมเด็จตะสมาสัพพธเจ้าท่านไม่ได้หมายเอาฌานโล ก, กีเอาแค่ศีลบริสุทธิ์ไม่ได้หมายเอาแค่จิตเป็สมา ธ, แมาธิแค่สมาบัติแปด ไม่เล่มที่เป็นสาระใหญ่ที่เรียกธรรอสิญญาแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาทือเยาคำว่าสาระอันนี้ได้แก่ความเป็นพระอริยเจา้าถ้าผมยะถามว่าพระโสดาเขาเป็นกันยังไงท่านตอบได้ทันทีเพราะว่าคนนี้ฟังกันจนชินรู้สึกว่าเป็นของเล็กเด็กเล่น แล้วก็เลยเล่นเงจนกระทั่งเห็นว่าไม่เป็นสาระก็ยังมีได้ย้อนกันไปนิดหนึ่งว่ามันยากไหมถ้าเราจะเป็นประโสวดาบันประสวดาบันมีคนอะไรบ้างหนึ่งสกายธิธิประสวดาบันพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอาทิศีน หมายถึงว่าดังสอระดับนี้มีศีลบริสุทธิ์อย่างเดียวเป็น น, นั้นว่ามีจิตคิดอยู่ว่าเราจะต้องตายความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงคํานึงอยู่อย่างนี้เป็นปกติแล้วก็มีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายเราต้องหลีกเลี่ยงอบายภูมิให้ได้ ยิงยอมรับนักถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระรมและพระอริยสงฆ์ไม่สนไม่เลวไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเร่งรัฐปฏิบัติสิให้บริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยการเพียงเท่านี้ในขรับเป็นบรรฑ์ศูนดากับสกิทาคามีนี่ได้ว่า อาการเท่านี้เราทํากันมาอะไรไกันได้เพราะว่าถ้าทํากันจริงๆแล้วก็มันไม่เกินสิบห้าวันหรอกเทียงแค่มันนั่งนึกไม่ประมาทในชีวิตหาความจริงของชีวิตว่าเราต้องตายแน่เดี๋ยท่านคิดว่าถ้าไม่ตายลนะ่ะคนคิดว่าไม่ตายก็เป็นคนเฮงเต็มที คนทุกคนมันต้องตายเขาตายให้เราเห็นสุนัขมัดเราเนี่ยตายไปไม่รู้กี่ตัวไม่เกิดแบบเรามันก็ตายแบบเราพระนี่สวดผีสวดศพกันอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะรู้จักความตายแต่ท่านหลายที่รับฟังก็เหมือนกันเมื่อความตายมันมีจริงรสชาติหน้ามีหรือไม่มีไม่สําคัญ เราคิดไว้เสมอว่าถ้าเราจะอยู่ก็อยู่อย่างคนดีถ้าเราจะตายเป็นผีเราก็ต้องเป็นผีดีนี่เราจะดีได้ยังไงก็ยอมรับนับถือองค์คาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรด้วยใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วก็เอาสินและสาสินให้บริสุทธิ์เป็นการปิด ก, กั้นอบายภูมิ นอกจากนั่นหวังจุดใหญ่ร้นได้แก่พระนิพพานเป็นอารมณ์เร่นี้ไม่ยากเลยไม่มีอะไรยากแ่เปนของง่ายๆไจิตใจของท่านหลายทรงอยู่แบบนี้แล้วไอ้ไปชมนมกันที่ร้านค้านะไม่มนีความจริงถ้าหิวอะไรไปฉันได้แต่ว่ารีบกลับเสียไม่ต้องไปภาษาห้ารหรือไปตักไปเตืออะไรกันที่ร้านค้าที่นั่นไม่ไม่ที่ที่ตักที่เตือนกัน มันไม่มีความจะเป็นเรื่องการบวชใครก็มีศรัทธาอยู่เขาอยู่เขาอยากจะศึกนั่นเขาศึกไม่ต้องไปห่วงใครเราห่วงตัวเราเป็นสำคัญทุกคนต่างคนต่างห่วงตัวเราไม่ก็หมดเรื่องเป็นอันวา่าคนถ้าหักว่าเขาสิ้นมสน า, บามบารมีไปดึงเขาอยู่นั่นมันเป็นโทษท่านจะเห็นว่าใครมาลาผมศึกตีผมไม่เคยขั้นสักคาเวลาที่เขาจะบวชนี่ผมก็ไม่ได้ชน เมื่อเขาบวชได้สรัทธาเขาจะศึกในการหมดสรัทธาเป็นเรื่องเขาคนไม่ชวนบวชแล้วก็ไม่ชวนไม่แล้วก็ไม่ดึงมาให้เสศ็กท่านจะสัง เ, เกตได้ว่าใครมันลาสิกพรออนุญาตเลยผมไม่เปลววิงจิตใจของใครบถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะถ้าทุกคนต่างคนต่างละมัตวางตนเองไม่มีใครต้องเตรอนใครเพราะมันต่างคนต่างดี นี่ความจริงกันเป็นมรสนดาบัญญับสกิสทาคามีนี่มันของเล็กๆนี่มันจของใหญ่จำกันได้หรือเปล่าฟังก็อยู่เสมอแล้วถ้าเป็นท่านาคามีให้ระบบเวลาแท่สิ้นหนึ่งพรรษานี่ถ้าเราจริงอาจริงท้านาคามีก็เป็นของไม่ยากยากตรงไหนเราเรียนกันมาแล้ว กายิัตาอนุสุต hm. ิอสุปกรรมฐานถ้าในมหาธิปฐานสูตรก็ปฏิกูรสัญญาก็ไปอันเดียวกันอันนี้พิจารณาไว้เสมอเปรียบเทียบหาความจริงเวลาอ่างกายของคนเต็มไปด้วยความสุขปกภพสมมุมมันสุขกภกจริงๆข้างในแล้สุขกภพเขางนอกเขาหลอกตาเราก็รู้ และใช้อารมณ์อย่างนี้กดอารมณ์จริงๆเพความเป็นประสด่าส่งตัวเป็นอาณาคามีก็ไม่คงเป็นของไม่ยากเพราะจิตป็นใกล้และตัดเข้าไปถึงทรงพรมวิหารสี่แล้วก็สินสี่แล้วก็สินอย่างสี่อย่างใดอย่างหนึ่งในแบบมีให้จิตมันส่งตัวมันก็ตัดโทสะได้ เมื่อตัดกรมเฉันทากระตัดโทสาได้ก็เป็นธาสกีอนุภาณาคามีมันก็ของไม่ยากอย่างอะไรเอาจริงนะไม่ยากอะไรที่ยากก็ไม่เอาจริงกันพอเป็นพระนาคามีแล้วถ้าจะเป็นพระรหันยิ่งเป็นของเล็กใหญ่เราลมช้างได้เราไล่ลมดเป็นของไม่ยากรูปราคารูปราคะ คิดพายความจริงว่ารูปประชันแล้วรูปประชันเนี่ยมันยังไม่ถึงนิพพานเราต้องไม่เกาะติดในรูปประชันและรูปประชันแต่ไม่จะทิ้งใช้รูปประชันและรูปประชันเป็นกําลังใจใหญให่เพื่อเข้าถึงความเบญจหันตัดมานั่กินเลยความถือตัวถือตนเสียให้ถือมาทำไมมันตายมันเน่ามันเร็ว แล้ตัดอุเทจะอุเทจะตัวฟุง้งซ่านตัวนี้ก็เรียกว่าแหมแค่นี้ก็สบายแล้วแค่นี้ก็โกรธแล้วไม่เอาที่ว่าถ้ามันจะเสร็จได้ถึงอะไรหันในชาตินี้เราต้องทําให้ได้วันเวลาจะปล่อยให้ล่วงไปวิทยา ว, ย ว, ย ว, ยวยินาทีหนึง่งในชีวิตเราจะไม่คิดในอารมณ์ของขอกุศลจิตมุ่งมั่นจะพรบนิพพานเป็นอารมณ์ และววิชชาตัดด้วยกรรมฉันทะและปฏิกานและกับราคะฉันทะกับราคะคือคิดไว้เสมอว่าการเกิดเป็นมนุษย์ึ่งก็ไม่ดีเป็นเทวดาก็ไม่ดีเป็นพรหมก็ไม่ดีก็อะไรเพราะยังมีภาระที่จะต้องปฏิบัติสิ่งที่เราต้องการก็คือมุกธรรมทำเป็นเครื่องพ้นจากการประพฤติปฏิบัตในกฎใดๆทั้งหมด ตามที่องมสมเด็จพระบรมสาธิตเองทรงตัดมรรครู้แล้วองมสมเด็จพระบัณฑิตแกวกล่าวว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงที่สุดมันพ้นจากความเคยแก่เจ็บตายปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขส่วนเดียวคือพระนิพพานถ้าจิตใจของเรามุ่งมั่นอย่างนี้มันก็เป็นของไม่ยากนี่ความจริงมันไม่มีอะไรยากถ้าเราจริงกัน แ่านละท่านนหลายมองโดยเวลาก็หมดไปแล้วนี่เทพจะหมดหน้าต่อที น, นี้ไปขอทุกท่านตั้งใจรักษาธรรมสาระไว้ให้ดีพ่อยคำใดที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงสอนเิียงใดที่ห้ามอย่าทำเชียงใดที่สนับสนุนทำเอาชีวิตขเขาแหลกอย่าทลาวบวก็มาในเกตพระพุทธศาสนาอยากให้ขายหน้าสตรี ผู้หญิงแต้เขาดีกาเราเราก็สวยเอาละสำหรับต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกาหนดรู้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามปัญญาสัยิ่งกว่าที่ตานเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดี